วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบตรงกับวันที่สี่กันยาห้าสองพวกเราฟังพระปฏิโมกจบลงศักครูนี้เป็นพระวินัยบัญญัติสำหรับให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย พระพุทธองค์ป่วงลับดับขันไปแล้วยังเหลือแต่หลักพระธรรมวินัยที่เป็นศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้เป็นคําตรัสหรือเป็นคํากล่าวของพระพุทธองค์ก่อนที่จะปรินิพานท่านบอกว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นสัจดาของพวกท่านทั้งหลาย ก็จริงอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ถ้าพวกเราไม่ยึดหลักพระธรรมพิัยต่างคนก็ต่างตีความหมายเลอว่าออกไปคนนนอกรูนอกทางไปอย่างที่ใจตัวเองชอบโดยมากที่ตัวเองชอบนั้นโดยมากจะไปทางต่ำไปทางกิเลส จนหาประมาณไม่ได้คำว่ากีเลสตัวนี้คำว่ามันมีมากมายเลยหาประมาณไม่ได้แต่ต้นตอของมันก็มีอยู่สามท่านเองโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะก็มีเพียงแค่นั้นแต่ว่ามันขยายผลออกไปนั้นมากมายเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงบัญญัติพระวินยัย ถ้าว่าผู้ใดอยู่ในกฎอยู่ในวินยัยผู้นั้นก็คืออยู่ในธรรมถ้าผู้ใดอยู่ในธรรมคือความถูกต้องผู้นั้นก็อยู่เกิอยู่ในวินยัยสรุปแล้วคือธรรมวินยัยมันเหมือนกับเสือกเส้นเดียวกันหรือว่าเป็นแต่เพียงว่าวินัยรักษากายธรรมรักษาใจ ถ้าว่าคนเราไม่มีใจมีแต่กายเหมือนืับคนตายแล้วนะ่ะจะทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีใจแต่ถ้าว่ามีแต่ใจมีแต่ใจคิดไม่มีกายก็ไม่ผิดวินัยเพราะเหตุไรเพราะมีแต่ใจคิดยังไม่ออกทางกาย ยังไม่ออกทางวาจานี่แหละสรุปแล้วก็คือธรรมรักษาใจวิในรักษารักษากายวาจ า, าให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลป์รักษาธรรมให้อยู่ในความสงบชื่อว่าธรรมเพราะนั้นพวกเราให้แยกแยะให้ออกนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติวิยัยให้พระสงฆ์ในครั้งกระนู้น มีมากมายพวกเราได้ศึกษาที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ใหม่ท่านเจด็จประทับที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวลวันในยุคสมัยนั้นพ้าสงฆ์ทั้งหลายที่บวชเข้ามาแล้วก็อยู่ตามลำพังออกไปคนละทิศคนละทางครูบาอาจารย์ที่บวชให้ก็บวชเสร็จแล้วก็ปล่อยไป ตามที่ต้องการบวช ไ, ไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่มีวินยัยให้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการบวชแต่ก่อนพระพุทธองค์ก็บวชให้แก่พระเอหีพิกุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเพียงเท่านั้นก็ท่านกับ บวชเป็นพระแล้วต่อมาก็บวชติสระคมภะรคใา้เข้ากล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งอันนั้นก็บวชพอต่อมาคนบวชมากขึ้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างบวชพระโพธิวงศ์ก็ให้บวชยติจะจุดทักรรมวาจาทีนี่ให้เข้าว่าบวชยัติคล้ายๆกับ ว, ว่า สี่ครั้งครั้งหนึ่งขออนุมัติสงฆ์ขออนุมัติสงฆ์โดยกรสงฆ์ทั้งหลายคนคนนี้จะบวชได้ไหมสงฆ์เห็นด้วยไหมอถ้าสงฆ์เห็นด้วยกับให้นิ่งจากนั้นขอพอสวดจบแล้วจากนั้นพอบวชเสร็จแล้วจะนี่จะบวชจริงกับถามความเห็นของสงฆ์อีกสามครั้งจะบวชได้ไหมขอประกาศองค์ไหนขัดข้องไหม ในการที่จะบวชพระองค์นี้นี่แหละมีขั้นตอนอันนี้คือบวชพระราธพามในบวชการบวชที่ว่าจะตุทกรรมวาจาเนี่ยประกาศสี่ครั้งเนท่านให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปชาของพระราธพามนี่แหละเป็นผู้ดูแลพระราธพามอันนี้เป็นองค์องค์แรกที่บวชเรื่องบวช ประกาศสี่ครั้งเนี่ยอนลมัตสงครั้งหนึ่งแล้วกัประกาศความเห็นของสงฆ์ถามความเห็นของสงฆ์สามครั้งเนี่ยนี่แหละถ้าเราศึกษาในหลักพระธรรมวินัยแล้วพระพุทธองค์บัญญัติวินยัยวิชัยว่าคิดได้แล้วก็บัญญัติขึ้นมาต้องมีเรื่องราวซะก่อนพอต่อมาบวชพระสงฆ์บวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัย ออกนอกรูนอกทางพระองค์ก็บอกว่าให้พระอุปชาหรือพระอาจารย์แนะนำว่ากล่าวตักเตือนพระสงฆ์ให้หยุดในการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่นี้พระสงฆ์ก็ยังไม่ฟังในเมื่อไม่ฟังพระพุทธองค์ก็บัญญัติฟีไนอีกว่าในเมื่อพระไม่ฟังอยู่ในโอวาทเนื่อในเมื่อเป็นพระอุปชาก็ดีเป็นอาจารย์ก็ดีอยู่ในวัดและไม่ฟัง คำของพระอุปชาหรือไปฟังของคำของพระอาจารย์ให้ไล่ออกจากวัดจะด้วยกายก็ได้จะด้วยวาจาก็ได้ให้ไล่ออกจากวัดไม่ให้อยู่แต่นี้พอพระออกไปนอกวัดเห็นพระไม่ขอขมาคล้ายๆกับว่าตัวเองไม่ผิดแต่ว่าไม่กล้าขอขมาแต่ พระอาจารย์บอกว่ามันผิดนะผิดวินัยนะอแต่ออกไปถ้าองค์ใดไม่ขอเข้ามาที่อาจารย์ไล่ออกไปแล้วปรับอบัตทุกกฎแก่องค์นั้นในเมื่อขอเข้ามาอาจารย์ไม่ให้เข้ามาปรับอาจารย์อีกอถ้าขอเข้ามาถึงสามครั้งแล้วไม่ให้เขาขอเข้ามาแปลว่าไม่ไม่รูโทษให้แก่เขา ปรับอาบททุกกฎอาจารย์อีกนี่แหละพระวินัยถ้าเราศึกษาดูแล้วล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลจากนั้นท่านก็ประนามภิกษุเช่นไรพระอุคุบ า, าจารย์พระอุปช า, าและอาจารย์ควรประนามในยุคสมัยนั้นคุบาอาจารย์ก็ลุกกระโทษฉันทากติโทสกติโมหากติพยาคติไล่ลุกสิทธ ที่ไม่มีความผิดเพระองค์ก็บัญญัติว่าภิกษุใดพระอุปัชฌาย์ใดพระอาจารย์ใดก็ตามไล่ลูกศิษย์หรือว่าบอกกล่าวลูกศิษย์ประนามลูกศิษย์โดยที่ไม่มีความผิดปรับโทษแก่อาจารย์ปรับอาบัตทกกฎแก่อาจารย์แต่ถ้าวานลูกศิษย์กระทำผิดอาจารย์ไม่ประนามไม่กล่าวไม่ประนามไม่ไล่ออก ปรับอาบทุกกฎแก่อาจารย์ทำไมเขาทำชั่วแล้วเฉยเมืออยู่ได้เพราะหลักธรรมวินัยไม่ใช่ของอุปชาไม่ใช่ของอาจารย์เป็นของกลางเป็นของพระพุทธเจ้า เ, ออเนี่ยพระพุทธเจ้าถีทุออ่นในพระวินยัยถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนในการบวชเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา อันนี้ผมพูดให้ฟังเพราะพวกท่านคงจะไม่มีเวลาที่พระเขามาบวชพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัตินั้นท่านบัญญัติเพื่อให้สงอยู่ด้วยกันด้วยความสงบผาสุขและก็ให้สงผู้มีหิริคือความละอายโอตปะปคือความกลัวต่อบาปอยู่ด้วยกันด้วยความสงบผาสุขถ้าองค์ไหนไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในกรอบท่านก็ให้องนั้นห น, นี ออกไปไล่ออกไปไม่ให้อยู่พระองค์ใดอยู่ด้วยไม่มีไม่มีความละอายต่อบาปท่านบอกว่าพระองค์นั้นเป็นอรชิตาเป็นผู้ไม่มีความละอายเป็นอรชีเป็นผู้ไม่มีความละอายต่อบาปถ้าท่านยังพูดอีกว่าองค์ในกระทาความผิดท่านบอกว่าโมคคะพิษุ เขามาบวชอยู่ในศาสนาของเราตถาคตไม่ได้มีอะไรที่จะเกิดประโยชน์สําหรับตัวของท่านเองเข้ามาอยู่แบบเปล่าประโยชน์อยู่แบบไร้ประโยชน์เปล่าประโยชน์อันนี้เร า, าโมฆะภิกษุอันนี้พวกเราก็จะได้ยินในพระไตรปิฎกหรือว่าหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาบวชทั้งทีชีวิตนะถึงจะบวชมีเวลาน้อยก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ รักษาศิลป์ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้รักษาวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้อยู่ในกรอบพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์จากหมู่เพื่อนจากผู้ที่ท่านรู้เกี่ยวกับวินัยถ้าท่านกล่าวตักเตือนเราก็ให้ยึดถือตามแนวนั้นแต่ถ้าเรามีความสงสัยที่ท่านบอกกล่าวนั้นจริงหรือไม่เราก็ถามหลายองค์ ถ้าไม่ถามองค์เราก็มีโอกาสที่จะค้นศึกษาได้มันอยู่ในเล่มไหนสิกขาบทนี้เนะี่ยวินัยข้อนี้อย่างนี้มีในพระวินัยบัญญัติพวกเราอยู่ทุกวันนี้เราไม่อยู่ตามลำพังไม่ได้อยู่ตามอัธาใจเราอยู่ตามหลักพัะธรรมวินัยเพราะเราบวชเป็นพระเราเป็นพระอย่างผมก็อยู่ในหลักพรรัะธมิัยในฐานะ ที่เป็นอาจารย์ก็อยู่ในฐานะอีกแนวหนึ่งเนี่ยการรับนิสยัยการดูแลหมู่พวกเพื่อนอันเตวาสิกแต่พระอุปชาเนี่ยว่าสัตถิงวิหาริกคือลูกศิษย์ที่บวชแต่ผมเนี่ยเป็นอาจารย์พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นอันเตวาศิกคือเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์กับอาจารย์ทำหน้าที่อย่างไรต่อกันอาจารย์ให้รักเมตตา ลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกับลูกตนเองลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันทําหน้าที่ดูแลครูบาอาจารย์หรือวัดวาศาสนาที่พ่อแม่มอบหมายให้พวกท่านก็ทําหน้าที่เหมือนลูกอันนี้คือพระวินัยท่านบอกกล่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้บวชมาในครั้งนี้อ น, นี้แหะคือหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือหลักพระวินัยแต่ข้อธรรมนั้น อย่างผมได้กล่าวก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนานั่งภาวนาในคืนนี้ผมว่านะวันเดือนสิบเพนเนี่ยกลับไปกุฏิแล้วเอาเนจ ช, ชิดูสอิอดนอนดูสิเป็นยังไง อ, อย่างน้อยก็ทุกวันพระไม่นอนเลยพยายามนั่งบางเพอเพอตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆแล้วก็ จะนั่งอริยาบทเดียวทดลองดูสิเป็นยังไงหรือว่าจะนั่งถ้าเราไม่มั่นใจก็นั่งสักสามสี่ห้าชั่วโมงหรือสองสามชั่วโมงดูสิบังคับตัวเองสิเป็นยังไงนี่เราอยากจะให้หมูพวกเพื่อนการทำความภาคเพียนะอยากจะให้มีหนักมีเบาให้ใค้าว่าให้สังเกตตัวเองไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ทำอย่างเกา่าทาอย่างเกา่าทำไม่มีการ พัฒนาเลยไม่มีการปรับปรุงตัวเองเลยอย่างนี้ผมว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็ไม่ภาคภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองแต่ถ้าว่าพวกเราทัอ้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีแล้วนั่นแหละความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ บวชมาคราวนี้ให้ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังรักษาศีลก็ให้บริสุทธิ์แล้วก็ฝ่ายธรรมะก็ให้ศึกษาให้ภาวนาในพรรษานี้เป็นไงพวกเราทําจิตสงบได้บ้างหรือเปล่าได้กี่ครั้งแล้วเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายภาวนาให้จิตสงบถ้าพวกเราทําจิตให้สงบได้สักครั้งหนึ่งผมว่านั่นล่ะ พวกเราจะภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตเนี่ยพูดอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าความสุข เ, เกิดจากความสงบของจิตของใจเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีความสุขแอบแฝงเพราะว่านัติสันติพ ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่มาบวชในในคราวนี้ในครั้งนี้ให้ตั้งอกตั้งใจจริง อย่ามาบวชเพียงแต่สักว่าบวชผ่านพรรษาไปเฉยๆอันนี้ก็เป็นเข้ามาบวชแล้วสองเดือนแล้วเนี่ยอีกเดือนเดียวก็ออกพรรษาแล้วไม่นานนะพวกท่านทั้งหลายหมู่พวกเพื่อนทุกองนะไม่นานแต่ว่าหมู่พวกเพื่อนบางองค์จิตสงนอกมันอาจจะนานกว่าได้อย่างว่าเนี่ะยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่านคนที่นอนไม่หลับ รู้จัรู้จักราตีหนึ่งยาวนานคนที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วยอดหนึ่งเป็นห้นทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตรที่พวกเราเวียนไหว้ตายเกิดในวัฏสงสารยิ่งยาวนานกว่านั้นคล้ายๆกับว่าคนที่นอนไม่หลับใครว่ามันวิตก ข, ข้างบนเรื่องอะไรแต่ก่อนพอนอนหลับเนี่ยมันราตีหนึ่งมันแป๊บเดียวทำไมสว่างเร็วนัก พราะคนนอนหลับใช่แต่ถ้าคนนอนไม่หลับเนี่ยมันวิตกกังวลเรื่องต่างๆอยู่นี่นว่าราตีหนึ่งยาวนานคนที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วโยดหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวโยดหนึ่งก็คือสี่ร้อยเส้นเอ ง, นงเป็นหนึ่งโยดนะแต่สังสารวัตรที่พวกเราเวียนไหวตายเกิดนันไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกับมดไต่ขอบดงอย่างนั้นมดไต่ขอบกระมังอย่างนั้น ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่อย่างนี้เพราะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าให้พวกเราหาช่องทางไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละประเสริฐที่สุดนะจะทํำยังไงจึงไม่มาเกิดขอให้พวกเราศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติทีนี่ให้ตรงอกตั้งใจภาวนาให้ตั้งอกตั้งใจทําสมาธิเมื่อจิตใจของเราทํา สมาธิจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจของเรานิ่งจิตใจของเราสงบนี่แหละเราจะมองเห็นช่องทางทีนี้แต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวีทั้งวันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับคนบ้าอย่างนั้นคนคนปุ่งฟงุ้งซ่านมากๆคือขาดสติมากๆคือบ้าแต่ถ้าหากว่าคน สงบนั่นก็คือจิตสงบนั่นก็คือนี่แหละเป็นจิตเป็นสมาธิเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในวันนี้เป็นวันพระผมก็ได้ปรารภเกี่ยวกับวินยัยให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาทํำยังไงการบวชเข้ามาให้มีกิริยามารยาทอย่างไรและก็พร้อมกันพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกกล่าวเอาไว้ว่าธรรมและวินัยนั่น แ, แลจะเป็นศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อพระพุทธองค์ผ่านไปแล้วนะก็เป็นอย่างที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเราจะเอาอะไรเป็นหลักยึดของพวกเรานอกจากหลักพระธรรมวินัยแล้วไม่มีนะถ้าเรายึดยึดหลักตามหลักพระธรรมวินัยแล้วจะมีกฎมีเกณฑ์มีสูงมีต่ำออมีผู้น้อยมีผู้ใหญออ่จากนั้นก็กล้าพูดกล้าแสดงเพราะเรามีหลักธรรมวินัยอยู่ในจิตใจออในการเป็นอยู่ ยึดสินของเราเป็นหลักแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีสินนะไม่มีสินไม่มีวินยัยอยู่ในตัวของเราแล้วเราไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์มันไม่มีที่ยึดที่ยึดเหนียวน ะ, ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าพวากพระเก่าให้ศึกษาเรื่องหลักพระธรรมวินยัยอย่าไปดูแต่ละวีแต่ละวันอย่าไปมองข้ามวินัยของเรา เหมือนกับเราท่องกฎหมายแล้วเราดูกฎหมายอย่างนั้นนะออย่างทุกวันนี้ผมก็ยังดูอย่นั้นสงสัยกฎไหนตรงไหนอย่างไรเนยเพราะสินลิฟวินัยมันไม่อยู่ท่านไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดอยู่กับพวกเราทุกคนต้องพยายามยามขัดสีสุวีวันเหมือนกันแต่พูดแบบนั้ น, น่ะขัดสีสุวีวันอยู่เรื่อยเหมือนนั้นหนึ่งจะเป็นผู้เลื่อมผู้ใสเป็นผู้มุ่งมั่นไม่ใช่ว่า ลืมลืมไปแล้วก็เกะเข้าขีดฉนิมหมดอะไรหลักเทาวินัยก็ไม่รู้จักว่าตัวเองมีศีลมีศีลผลสุดศีลหรือวินัยเป็นยังไงพวกเราก็ไม่ได้ศึกษาอันนั้นไม่ถูกต้องนะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบวดมาเ้านี่ให้เป็นพระที่สมบูรณ์เป็นพระที่แท้จริงนะ